เพราะพระที่จะมีจำนวนมากขนาดนี้มาปรากฏรวมกันด้วยความพระอเคพอใจใคร่ต่อหลักธรรมหลักวินยัยคือศาสตร์สนาและชาติบ้านเมืองในวันนี้จึงจัดเป็นวันมหามงคลแก่เราทั้งหลายและพร้อม กับการได้เห็นได้ยินได้ฟังพระเจ้าพระสงฆ์ส่วนมากที่มาที่นี่มากจะอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญสมณธรรมเอื่อขวนขวายหาอัฏหาธรรมในสถานที่ต่างๆกันส่วนมากเป็นป่าเป็นเขาแล้วท่านก็เลอุตสาห์ออกมา สุสถานทนี่ซึ่งเป็นจุดใหญ่คือวัดโสการามเป็นศูนย์กลางแห่งพระปฏิบัติทั้งหลายรวมอยู่ที่นี่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ท่านพ่อดีท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเค่้มรับในหลักธรรมในในมีความศักด์ความจริงเป็นองท่านท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น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 มาโดยลำดับนล้วมาปรากฏคทงท่านในสถานที่นี้จึงเป็นบุญกุศลอันล้นพ้นของพี่น้องทั้งหลายทำทำท่านแสดงไว้ว่าสมณานันทรัตสนัง่งการเห็นสมณะคือผู้สงบกายวาจาใจจากบาปจากกรรมทั้งหลายนั้น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 หลักความจริงไม่มีใครเกินาศาสดาคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอันเลิศเลอเป็นาศาสดาของโลกทั้งสามได้ก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านตรัสรู้ธรรมธรรมที่เลิศเลอม่เรื่องต้นก็ไม่มีใครค้นพบมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นทรงค้นพบ แล้วนำมาชี้แจงแจ่บัรดาสัตว์ทั้งหลายมีพิษุวริสัทเป็นต้นด้วยสวากขาตาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่คือจาดสดาองค์เอธทําก็เป็นธรรมชั้นเอ๋และนำสั่งสอนด้วยธรรมชั้นเอ๋นั่นให้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญ ได้ความรู้ความเห็นได้คติเครื่องเตือนใจจนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ตั้งแต่สมณะที่หนึง่งถึงสมณะที่สี่คืออาหัตบุคคลสมณะทั้งสี่ประเภทนี้ไม่ได้สูญสิ้นไปจากพุทธศาสนาของเราทั้งหลายที่เทิดทูนอยู่เวลานี้อตกาลิโก การปฏิบัติบำเพ็ญของผู้มุ่งอัตมุธรรมทั้งหลายยังมีอยู่มรรคผลนิพพานหรืออริยบุคคลทั้งสี่ประเภทหรือส ม, มาณาสีประเภทนี้ย่อมเป็นเงาเทียมเรียมตัวต้องได้รับมรรคผลเป็นลำดับลำดา ม, มาจึงสมชื่อสมนาม ว, ว่าศาสตาวงศ์เถร ไม่ใช่ศาสดาหลอกลวงลวกลวงสงสารมักผลิพานกล่าวถึงแต่หาความจริงไม่ได้อย่างนี้ไม่มีในศาสดาของพวกเราทั้งหลายไปยนศาสดาราองค์เอกรมอันเอกผู้ปฏิบัติธรรมตามศาสนาธรรมที่ศาสตไว้ชอบแล้วนั้นย่อมบรรลุมีสิทธิทจะบรรลุธรรมไปได้ตั้งแต่กัมญาณูปุตชน จนถึงอริยบุคคลขั้นภาระัตตบุคลเป็นขั้นสุดยอดแห่งธรรม <c oughs> นี่เป็นผลเจ็บถึงได้จากพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั่นพระพุทธศาสนา เป็นเป็นศาสนาที่ทรงมักทรงผลตลอดมามนับแต่ครั้งเกิการมาจนกะท่านปัจจุบันนี้และยังจะทรงมักทรงผลแก่ผู้ปฏิบัติตลอดไปสมนามในพระธรรมว่าอากาลิโกมันมีการสถานที่เวลาเวลาใดที่จะมาเป็นอุปสรรคขีดขวางหรือลบล้างไปเลย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 เป็นศาสนาที่ทำที่ประกาศท้าทายต่อความจริงทั้งหลายตลอดมามีท่านทั้งหลายที่เป็นพระจำนวนมากมายผูุ้สาปฏิบัติตามอัตธรรมทั้งหลายก็พึงสังรวมระหว่างกายวาจาใจของตนตามแนวทางแห่งศาสดาที่ทรงประกาศธรำไม่เรียบร้อยแล้วคือภาคปฏิบัติ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 จากนั้นก็ปฏิบัติทางด้านผักด้านธรรมให้เป็นความสงบเย็นใจ <c oughs> เป็นลำดับลำดา <c oughs> อยู่สถานที่ใดให้พึงเป็นผู้สังรวมระหว่างม <c oughs> ีหีโอสะประจําใจสังรวมอยู่ด้วยธรรมด้วยนี้นั่ไปที่ใดมาที่ใดอย่าให้ขาดสติ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 สีสมมาธิปัญญาเป็นลำดับลำดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงมรกญุพานุ้ยพาล่ยจิตตะภาวนาคำว่าจิตตะภาวนาได้าการอบลมสั่งสอนจิตใจตนเองผู้ภาวนาพึงมีบทธรรมเพื่อตั้งรากฐานเบื้องตน้นยาปล่อยวางคำบริกรรมนี่คือผู้ฝึกเบื้องตน้น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 จากคำบรีกรรมมีคำบรีกรรมผูกมัดจิตใจไว้และสติเป็นนายควบคุมคำบุรีกรรมไม่เผอแล้วในวันหนึ่งๆก็ให้ทำอย่างนี้เรียกว่าเราสอบแสวงหาสมบัติกันล้นค่าคือธรรมเบื้องต้นให้ได้สมถะทมก่อน พยายามทำจิตใจของตนให้เป็นความสงบจากอารมณ์ที่ขอควรซึ่งเนื่องมาจากกิเลสทั้งนั้นให้สงบตัวเข้าไปด้วยบทคาบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องระงับ ด, ดับดสิ่งวุ่นวายที่คิดตลงอยู่เสมอจากกิเลสนั้นเมื่อคาบริกรรมของเราต่อเนื่องทา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 บ้างทมโมบ้างสังโฆบ้างตลอดถึงอรพานนสติในวงกรรมฐานสี่สิบห้องเป็นกรรมฐานที่จะระงับดับใจิตใจที่ฟุ้งซ่านเท้าท่สู่ความสงบได้ด้วยคำบริกรรมทั้งนั้นให้เรานำมาบริกรรมจิตตดต่ออยู่กับคำบริกรรมนั้นตลอดเวลาที่เรานั่งภาวนาอย่าให้เผอ จิต ใ, ใจมีหน้าที่อันเดียวเวลาคิดทางโลกมันก็คิดทางโลกทางธรรมเข้าแทรกไม่ได้ที่นี้เวลาคิดทางธรรมบังคับจิตใจทางกิเลสไม่ให้คิ ด, นคดในทางนั้นให้คิดเฉพาะทางธรรมคือคำบริกรรมของเรา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 ความสงบไม่ได้ดีดดิ้นอยู่ด้วยความคมิดความปรุงอันเป็นการผลักไสผลักดันของจิเหลดออกทำงานเพื่อหารายได้ของมันแต่สร้างกองทุกข์ให้เราอยู่ตลอดมานี่คือเรื่องจิตเหลดทำงานบนหัวใจเราต่อ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 เราจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจนี้เป็นวิธีตั้งรากตั้งฐานแห่งความสงบในเบื้องต้นให้พากันตั้งอย่างนี้อย่าพากันทําสูงสี่สูงห้านึกถึงบริกรรมนึกถึงภาวนา เมื่อไรก็มีสติเยบหนึ่งแยบหนึ่งแล้วมานึกถึงคำาบกรรมคำใดก็เพียงคำสองคำหายไปนอกจากนั้นมีแต่ทีเละเอาความคิดความ ป, ปารุงไปทหลุเสียทั้งวันทั้งคืนแล้วผลอะไรได้ก็คือความทุกข์ความร้อนภายในใจหาหลักฐานมั่นคงภายในใจไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่กัวตนก็สำคัญว่าตนเป็นนักภาวนา แต่ความจริงนักภาวนามีเพียงอย่างมาก 5% 95เปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องของเจเลกไปถลุเสียทั้งหมดมันก็ไม่คุ้มค่ากันนี่เองผู้ปฏิบัติจิตตะภาวนาไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรพอเจตอย่างนี้เองพระ เราต้องการให้ได้ผลเป็นที่พอใจเป็นลำดับลำดาให้พากันตั้งอกตั้งใจดำเดินทงบ้างภาวนาดังที่กล่าวแล้วนี้จิตใจสสงบสงบไปเรื่อยจากนั้นก็เป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจไม่วอกแวกกรอนแแปลงจิตใจอิ่มอารมณ์ คืออารมณ์ที่จิตใจหิวก็หายอยู่ตลอดเวลานั้นได้แก่หิวอยากดูอยากลูดอยากเห็นทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆมีความหิวโหวยอยากสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานี่คือความหิวโหวยของใจ ถ้าปล่อยให้คิดอย่างนี้จะหิหวโหยตลอดไปและสร้างผลคือความทุกข์ร้อนมาสู่จิตใจของเราไม่มีเวลาสงบเย็นใจได้เลยนี่คือจิตหิหวโหยอารมณ์พอจิตมีความสงบเยน็นและก้าวเข้าสู่สมาธิเป็นลาดับจนกลายเป็นสมาธิที่แน่นหนามั่นคงเต็มที่แล้วอารมณ์เหล่านี้ไม่เข้ามากวนใจ จิตไม่อยากคิดอยากกรุงเรื่องอารมณ์ทั้งหลายที่ที่เคยหิวหหยมายูด้วยความสงบเย็นใจเป็นเอกตาตาจิตเอกระก า, าลมประจําใจของผู้มีสมาธินั่งที่ไหนมีแต่ความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในใจอารมณ์อื่นใดที่เคยรบกวนไม่เข้ามารบกวนจิตอยู่เย็นเป็นสุขในอียบททั้งสิ คือยืนเดินนั่งนอนด้วยความมั่นคงของใจที่มีสมาธิและอิ่อารมณ์ตลอดเวลาจิตมีพระสมาธิเต็มที่แล้วนั้นไม่อยากคิดอยากกลุ้มเรื่องอะไรเพราะเป็นเรื่องก่อขวดแต่ก่อนเราหิวโหยกับอารมณ์นั้นๆถ้าไม่ได้คิดได้กลุ่มไม่ได้ดิ้นรนกระวนกระวายอยากคิดอยากกลุมไม่แล้วไม่ เลิกกันตรรกะสร้างแต่กองถูกไม้ตัวเองทีนี้เมื่อเวลาจิตเป็นสมาธิแล้วจะอิ่มอารมณ์ความคิดความปรุงทั้งหลายหมุนตัวอยู่กับความเย็นความแน่นหนามั่นคงของใจเป็นเอกกตาจิตเอทัคตาลงประจําใจความรู้เพียงจิตได้ดิ่งลงสู่สมาธินี้เท่านั้นก็ปรากฏว่าเป็นที่ผ้าภูมิใจ ไม่มีคำว่าอิ่มพอมีแต่ความดูดดื่อยู่ด้วยความเย็นใจสบายใจตลอดเวลาเพราะเหตุนี้เองสมาธิจึง ท, ทำให้ผู้บําเพ็ญหลงได้ติดได้ถ้าไม่มีผู้มาแนะนำในทางปัญญา จะติสมาธิโดยไม่อาจสงสัยเ <c oughs> พราะสมาธิมีรสชาติพอที่จะให้นักบําเพ็ญทั้งหลายติดได้ไม่สงสัยเพราะเป็นโรสชาติแห่งธรรมฮิต ก, กันกับรสชาติของโลกเป็นไหนๆเรื่องของโลกเป็นรสชาติของทิ่เลสผิดขึ้นมากินแล้วมีเบื่อหน่ายอันนี้อยากอันนั้น กิ น, น, น, น, น อ, นนนนอนันนั้นดื่มอันนั้นเบื่อหน่ายนั้นมาดืงมอันนี้เบื่อหน่ายคิดเรื่องนั้นเบื่อหน่ายนั้นมาคิดเรื่องนี้มีเรื่องของอารมณ์ของพิเลถ้ารดก็เป็นอารมณ์ของพิเสฒีมีความลืน่นเริงเชชั่วคู่ชั่วยามแล้วก็เอาไฟเข้ามาเผาในฉากหลังนั่นแหละนี่คืออารมณ์ของพิเลฒแต่อารมณ์ของธรรมอยูด่ด้วยความดีดื่มแห่งความสงบเย็ในใจนี่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 นี่จุณต้องแยกจิตออกจากสมาธิแล้วก้าวเดินทางด้านปัญญาเมื่อเรามีความผาสุกเย็นใจจิตใจอิ่มพอกับสมาธินี่แล้วให้ก้าวเดินออกทางด้านปัญญาปัญญานี้มีความกว้างขวาง ม, มากทีเดียวไม่ได้เหมือนสมาธิสมาธินี้ เต็มขั้นเต็มภูมิของตนก็เหมือนกับน้ําเต็มแก้วน้ําเต็มโอ่งมีมากเท่เทาไหร่จเจ้ามาเทเพิ่มเติมน้ําเต็มแก้วก็ไม่รับได้ผิดเพราะน้ําเต็มแก้วนี่สมาธิจะให้มีความแน่นหนามั่นคงเท่าไหร่ก็เต็มภูมิของสมาธิจะให้เลยจากภูมิสมาธิที่เต็มตัวแล้วไปไม่ได้นี่เป็นขั้นของสมาธิ จากนั้นก็กล้าเดินทางด้านปัญญาพิจารณาตามทางของศาสดาที่ประทานให้แล้วซึ่งเรารับมาตั้งแต่วันบวชท่านสอนว่าเกศาโลมานขาทัานตาตะโจก <c oughs> เกษาคือผมผมเป็นยังไงผมขนเราทั้งหญิงทั้งชายตลอดถึงผมหูผมหมาผมเป็ดผมไก่ผมวัวผมควายเรียกว่าขนไปเลยมันก็ผม เาเวลาเป็นผมเป็นไปได้หมดทางนั้นดูไปหมดผมเขาผมเราผมบุคคลหญิงชายผมสัตว์อะไรดูให้ทั่วถึงผมเหล่านี้เป็นยังไงมันสะอาดสะอ้างอะไรบ้างพิจารณาดีช า, าชล้างทุวันทุวันผมอันนี้แหละตัวถุกกะโปกใหญ่โตจึงต้องชาล้างทุวันไม่ชาล้างไม่ได้นี่เอามาพิจารณา ถ้าเป็นของดิบของดีจะ้าร่างกันหาอะไรอยู่ที่ไหนก็ดิบก็ดีสะอาดสะาดตลอดเวลาควรที่จะแน่ใจตายใจได้กับผมเนี่ยแต่นี้ตายใจไม่ได้ขนต่อเนือกันแมบเดียวกันเอามาเทียบกันได้ทุกส่วนทุกว์ ท, ทุกส่วนนี่วิธีการพิจารณาทางด้านปัญญา ขอให้เริ่มก้าเดินออกอันนี้เอาผมขนและฟันกรรมาฐานห้าเป็นพื้นฐานแห่งการก้าวเดินของปัญญาเราใช้ผมขนเล็บเป็นยังไงนี่แล้วก็ดูแล้วเล็บคนกับเล็บหมาก็าไม่เห็นมีอะไรผิดกันมันสะอาดสะอ้านมันสวยงามที่ตรงไหน ต้องไปติดแปรพันกัมันดีไม่ดียอมเล็บย้อมเล็กตัดเล็บย้อมเล็บให้สวยงามมันจะสวยอะไรประสานเล็บถ้าไม่เป็นบ้าแล้วจะไปตกแต่งมันนะช้ล้างให้มันพออยู่ได้ไปได้ทั้งเขาทั้งเหลา่าฉนั้นกระของจาเป็นเราจะต้องมาตกแต่งมาช้มาล้างและมาประดับประดาประสานเล็บ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 ฟังแต่ว่ากระดูกกระดูกเท่านั้นเองนี่เรามาย้องแสงบอกว่าเป็นฟันเฉยๆความจริงก็คือกระดูกส่วนหนึ่งที่มาใช้งานในการบดเคี้ยวอาหารเท่านั้นอย่างอื่นเขาบดเคี้ยวไม่ได้จึงให้ชื่อว่ากระดูกข้อมือกระดูกข้อเท้าว่าไปตามธรรมดาแต่กระดูกนี้เรียกว่ากระดูกปัน เอามาบทเที่ยวอาหารมันก็คือกระดูกนั่นเองนี่ให้พิจรารณาที่กระดูกนี่มันสกปรกหรือหรือมันสะอาดดูที่ตื่นขึ้นมาแล้วล้างปากล้างฟันล้างวัสจนกระทั่งเลยเถิดเลยแดงมีอะไรมาเอามาเป็นความสะอาดล้างปากล้างฟันยาถูฟัน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 <c oughs> ทำด้วยโดยทดางปัญญาให้นำมาคดมามา <c oughs> คิดมาคนดังที่อธิบายมาแล้วนี่พูดแต่เพียงย่อๆนะเนี่ยที่จากนั้นหนังฟังสิ่หนังหนังคนเราทั้งหญิงทั้งชายหนังสัตว์หนังบุคคลอยู่คนเราที่ติดกันนี่ติดพรหหนัง มาตกแต่งผิวมันเพียงบางๆเท่านั้นไม่ได้หนาเท่าไบลานเลยนะคนทั้งคนนี้มีเครื่องหลอกตาให้หลงได้ถนักชัดเจนก็คือผิวหนังนี่เท่านั้นถึงประดับประดาตกแต่งทุกอย่างที่จะทำให้หลงหนักเข้าไปทีนี้เราพิจารณาทางด้านปัญญาในเรื่องหนังพิจารณาหนังภายนอกเป็นผิวบางๆหลอกคนอพิชเข้าไปภายในดูหนังภายใน จากนั้นจะดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกตับไตไส้ผู้ในร่างกายของเหล่านี้หมันมคืออะไร<ม>นี่คือปัญญาจะพิจารณาเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดว่าเป็นของสวยของงามให้ลงถู่ความจริงความจริงก็คือว่า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 ที่เหืาที่ใครซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของสกโปกโสมลเต็มผิวหนังของเราเนี่ยนะต้องชะต้องล้างไม่ชะไม่ล้างไม่ได้สกโปกเลอะเถอะอยู่ไม่ได้ อะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหนังและร่างกายของเหล่านี้จะสะอาดสะอ่านขนาดไหนต้องชะต้องล้างต้องเทต้องถูอย่างที่หลับที่นอนก็สวยงามสะอาดสะอางราคาแพงแพงทั้งนั้นบ้านเรือนแต่และหลังละหลังสร้างขึ้นมากี่ห้องกี่หับ ว่าเป็นของสวยของงามของสะอาดสะอา้านพอคนเขาไปอยู่ที่ใดอืนําสิ่งเหล่านี้เข้ามาค้าเคข้ากับขนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งเครื่องหงอง่มมาค้าเล้ากับขนกลายเป็นของสโครกะ ป, ประจำตามกันหมดแม้สิ่งเหล่านั้นจะสะอาด ก็เพราะว่าร่างกายมีหาความสะอาไม่ได้ต้องซักต้องล้างอยู่เสมอไปอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องชาต้องล้าทงทําความสะอาดในบ้านในเรือนมันขึ้นกับอะไรมันถึงได้ช้าได้ล้างตลอดเวลาก็ขึ้นอยู่กับร่างกายตัวสกรปรกนี้เองมันไปอยู่ที่ไหนเลอะเทอะไปหมดคือร่างกายตัวสกรปรกนี้เองนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาให้แย่แย่อย่างนี้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 เนื้อนี่แล้วมันโขกผมหรือเปลเอ็นกระดูกเขายิ่งดูเข้าไปใน่กระดูกนี่นี่นมันทำไมมันถึงติดถึงพันนักติดใจอันนี้แกะไม่ออกดึงไม่ออกไม่มีหนามซ้ำยังส่งเสริมให้ติดแน่นเข้าไปอีกี หลังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วดูเข้าไปในตับไตไส้ผุงของคนแต่และคนมนีแต่ช่วงแต่ฐานเต็มผุงด้วยกันดังนั้นแหละเราออกมาดูกันได้เวลานี้ก็เพราะเอาสิ่งที่พอดูได้มาปิดบังไว้ดีมี้ห่อออ์คอา เนีปกปิดกำบังไว้ด้วยการนุ่งการห่มซักพ่อไว้เรียร้อยมาพบกันเข้ากพอ็พอหน้าดูหน้าชมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราเท่านั้นเองหลักความจริงคือธรรมาชาติเดิมข้องหมันนั่นหาความซ่าสะอานไม่ได้นี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะอย่างนี้ แล้วพิจารณาแล้วในเรื่องนี้จงกระทั่งถึงตับไตไส้กูมอาหารเก่าอาหารใหม่ถึงส่ววถึงฐานในภูมิของเรา ดูแล้วทบทวนหลายครั้งหลายหนดูเพ่งแรงด้วยสติด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหงจนกระทั่งสติปัญญามีความค่องแคล่วแก้วกล้าดูอวยวะของตัวนั่นเองเหมือนที่แรกก็เหมือนกันกันกบเราฝึกขัดเขียนหนังสือทั้งเขียนท่ามลบแล ะ, ละเกลากาเขียนแล้วลบเล่าเพราะเขียนไม่ชํานาญ มันก็ไม่ถูกตัวแลวเล อ, เอะเทอะที่นี่เวลาฝึกหัดเขียนไปไหลายครั้งหลายหนมันก็ค่อยเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาอ่านก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเมื่อเวลามีความชำนาญในการขีดเขียนแล้วพร้อมมองดูรับตอนนี้มันก็รูปเขียนกกเขียนวัดไปเลยนะ เพราะความํานานของการเขียนอ่านก็แบบเดียวกันอ่านวัดไปเลยนี่คือความํานาญการพิจารณาทางด้านปัญญาที่แลกก็ถูไถไปมาล้มลูกคุก ค, คานเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้ซึ่งเป็นหินลับปัญญาผลคนและบันหลังเนื้อเอ็นกระดูกทุกอย่างเป็นหินลับปัญญา ปัญญาจะคงกล้าขึ้นด้วยการพิจารณาสินหลนี้ซ้ำๆซากๆจิต ใ, ใจก็จะมีความสว่างสวัยและคล่องตัวขึ้นมาเป็นลำดับนี้หละหลักฐานเบื้องต้นที่จะเปิดทางเพื่อมรรคผลนิพพานให้เห็นชัดเจนยิน่งขึ้นก็คือส่วนร่างกายนี้แหละ ที่มันปกปิดกำบงังภูเขาทั้งลูกมันนหนานแน่นยิ่งกว่าอวัยวะภายในตัวของเราทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชายมันปกปิดกำบังไว้หมดหญิง mm hmm. เห็นชายก็หลงชายเห็นหญิงก็หลงเพราะเนี mm ่ย hmm. มันหนานยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกจึงเปิดทําลายภูเขาลูกนี้คือภูเขาภูเรานี้ออกเป็นด้วยปัญญาให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน โดนกระทันสติปัญญาขล่องแคล่วแกวกาแยกยาตาแยกขานออกไปเป็นดินน้ำเป็นลมเป็นไฟแยกลงไปเป็นอนิจจงแปลสภาพทุกขังบีบบี้สีไฟตลอดเวลาอนัตตาหาความเป็นของสัตว์เป็นจัตเป็นบุคคลของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ทั้งทั้งทีโลกนึดถือกันตลอดมาขเขาก็ไม่ได้เป็นไรเป็นของไทยนี่ แยกออกเป็นอนิจจังทุกขังอาตาและเพียนาซ้ำๆสักๆด้วยการดำเนินปัญญาที่นี้เมื่อเวลาพิจารณาปัญญามากเข้ามากเข้าจิตใจมีความเหน็กหน่อยเมื่อยล้าย้อนเข้ามาสู่สมาธิเสียย้อนติดเข้ามาสู่สมาธิบาเพ็ญทางสมาธิคือจิตใจทําให้สงบอารมณ์ดูทางด้านปัญญาไม่ต้องทิ้ต้องถูมุ่งหน้าต่อสมาธิ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 ก้าวเดินอย่างนี้ตลอดไปดั้เรื่องจิตใจของเราจะมีความเบาบางเบาบางแผ่วขาวขึ้นเป็นลำดัรับเพราะสิ่งเหล่านี้ปกปิดมันแต่ก่อน พอปัญญาเปิดออกเปิดออจิตจะมีความสว่างสวยเบาเนื้อเบาก่ายด้วยไม่เครียดจะเบาใจนะเบาเนื้อบากายจิตที่จิตมายึดเรื่องกายมันก้นหนักทีนี้จิตใจค่อยถอนลงไปถอนลงไปอะไรก็กลายเป็นเบาร่างกายไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็กลายเป็นเบาเพราะเนื่องจากเจ้าของเป็นผู้ยึดหนิท่านพิจารณาทางด้านปัญญ า, า, ญญาเอาให้เต็มเหนี่ยวในเรื่องร่างกายมีเป็นสําคัญมากนักปฏิบัติ ตังหลายอย่ามองข้ามไปนะใครพิจารณาร่างกายนี้ช่ำตองสลายผู้นั้นจะมีความแก้วกล้ า, าสามารถคอยละพิเรนเป็ น, นำลำดับรังดาไปจิตใจจะแตกฉานทั้งอัดทั้งทำไปด้วยนะการพิจารณากายกตาสาือนี้เป็นการเบริกความรูปให้กระจ่างแจ้งไปในทุกทิศทุกทานการผูดการจา การโต้การตอบทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดอออด้วยกันด้วยกันเพราะอำนาจแห่งตาจักตาสติมีสาคัญมากนะมีการพิจารณาร่างกายนี้เมื่อถึงขั้นมีความละเอียดเข้าไปทางด้านปัญญาคล่องแค่วเข้าไปแล้วพิจารณานี้จะรวดเร็วมากทีเดียวมองเห็นสภาพ ทั้งเขาทั้งเราจะรวดเลยถา้าเป็นอุูปะเพิบเกี่ยวเป็นอรูปะหมดทั้งลาทั้งเขาทั้งเรานะัพิจารณาซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเป็นที่พอใจแล้วจิตนะใจของเรามีความแน่นหนามัน่นคงเอาทดสอบ ด, ดูการพิจารณาอุาูปะอรูปังนี้จึงเป็นพื้นฐานควรแก่การที่จะถอดถอนตามมิเลิได้แล้วนะด้วยการพิจารณา ร่างกายนี้ช่ำทองแล้วให้กำหนด อาุอภะอาจุพังที่เราพิจารณาอย่างช่ำชองคือให้แตกให้ดับเร็วก็ได้ให้ช้าก็ได้ให้ตั้งอยู่เป็นที่เป็นฐานไ ม, ไม่ไม่ทำลายก็ได้เมื่อมันถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าเราทำได้ตามต้องการเอาที่เอาความคล่องแคล่วของจิตใจเราที่ทำอย่างนี้นั้นกำหนดอาจุพะอาจุพังเอามาตั้งที่หน้าของเราที่หน้าภาวนาอยู่นี่แหละเอามาตั้งดูเอา้า อรุปภาพอันนี้กําหนดขึ้นให้เป็นอรุภาจะเป็นทางนั่งก็ได้ท่านองก็ได้ให้เป็นภาพอรุภาปรากฏ อ, อยู่ต่อหน้าต่อ ต, อตาเราจิตใจเราเพ่งปัญญาต่อเข้าไปตรงนั้นแล้วแต่ไม่ให้ทํำลายเอาทติจดจ่อไว้ไม่ภาพนี้มันเคลื่อนยา้ายไปที่ไหนครับมันจะไปตรงไหนมาที่ไหนถ้ามันยังไม่พอ กำหนดอยู่อยู่มันจะไม่เคลื่อนไหวไปที่ไหนถ้าการพิจารณา อาชุพากูปังยังไม่พอปัญญายังไม่พอที่จะปล่อยวางมันได้กาหนดอาชุพากูปังให้อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่น <S <S กําหนดนานเท่าไหร่มันก็อยู่ที่นั่นน า, นนานนี่แสดงว่ายังไม่พอกับความต้องการเอาที่นี่ขยายออกอยู่พิจารณาอย่างเต่านั่นแหละให้มีความทะนิยมนานเข้าไปเอามาตั้งอีกนี่เป็นการทดสอบตัวเองเพื่อเอาความจัดความจริงตัดสินตนเองในเรื่องทิ่เละกันหะคือการมาราคะ นั่นแหละเป็นตัวสําคัญเพราะตัวนี้มันพลิกพลั้นทั้งหญิงทั้งชายสัตว์ทุคคลทั่วโลกติดอันนี้กันทั้ง น, น, นั้นเพราะไม่มีใครมาบอกมาสอนแม้แต่พระเรายิ่งติดมากยิ่งกว่าค า, ารวะก็มีเยอะเพราะไม่สนใจเนรรี่ยทก็หมุนปิ้วไปกับกิเลสตัณหาก็กลายเป็นความพลุ่มพลังสร้างแต่ความเจ้าท่ากลุ่มมาในหัวใจของตันันแหละนี่เราให้พิจารณาถึงอาุภาอาตุปังที่ให้เต็ม ที่กำหนดให้ตั้งอยู่ยังไงเอาตั้งกำหนดให้ทำลายมาันเลเอาให้ทำลายให้รวดเร็วเท่าไรก็รวดเร็วมีเมื่อมันทำลายอย่างแล้วแล้วกาหนดมาตั้งไว้ที่นหน้าของเราเนี่ยนะเอาทีนี้เอาความจริงจะดูความเคลื่อนไหวของอสุภานีมันจะเคลื่อนไหวไปไหน เราจะหาความจริงจากจุดนี้คือจุดนี้เป็นจุดที่เราเข้าใจว่าทำนานแล้วเนี่ยการพิจารณาอสุภะแล้วเอาจุดนี้มาตั้งไว้กรงหน้าของเราเอ้ามันจะเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ต้องมีใครมาบอกบาสอนอเราดูไว้เวลานั้นอย่าทำลาย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 จำหมุนเข้ามาโดยที่เราไหมร่บอันนี้พูดจําบากนะหรือผมเองก็ไม่อยากจะพูดมันมันจะเป็นเรื่องค่าเรื่องหมายของผู้บาําเพ็ญเพราะสัญญาหลมนี้ละเอียดมากไปค่าเอาเสียมาตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยางวิต่า ง, อางสนอนไปเยอะจึงไม่อยากจะพูดบอกแต่อย่างนี้ให้เป็นเครื่องตัดสินตนเองเอาพิจารณาอาุภะตัวนี้ให้ติมันจะเคลื่อนได้ไปไหนเวลานั้นจะไม่ ทำลายอามันเป็นยังไงนี่แหละพิจารณ า, าปัญญาให้ถึงฐานแห่งตามมาเิเรเขาดูตัวนี้เวลามันพอแล้วมันจะบอกเองอสุภะตัวนี้คือเราไม่ทำลายตั้งไว้ น, นั้นแหละอมันจะไปไหนให้อยู่ในปัจจุบันของนี่แหละมันจะไปไหนนี่แหละเราจะไม่บอกในระยะ จากนั้นไปให้เป็นเครื่องตัดสินของท่านู้บวมเพ็งธรรมะข่้นนี้เองนี่เนื้อจากนั้นแล้วน่าจะผ่านข่านนี้เขาไปแล้วมันบอกเองเรื่องการมาเทิกเรื่องตัดสินมันจะบอกเองในตัวเองนี่จุดนี้เป็นจุดที่จะตัดสินการมาราคะตัดสินได้โดยไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยถึงข่านอธัธฉริยะ่ฟังมีความชำนิชานาญแล้วตั้งว้อย่างนี้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 พีระแต่กรกระจายทําลายไปอตั้งหรือไมอ่เนี่ยมาทดสอบดูอีกนะเอาตัวมาชั่งมันอยู่นิ่งมันไม่ไปไหนมาไหนแล้วที่นี่มันจะไปไหนไปหาความตัดถี่นตนเองว่าใครเป็นคนหลงแน่นันะอายุภาพหลงหรือกิดใจเราหล ง, ลกกจจลลงมันจะตัดถี่ขึ้นมาไในที่นั่นเองนี่เป็นจุดสาคัญเราจึงไม่บอกจุดนี้บอกแต่ต้นเหตุเปิดประตูให้ ให้เข้าเองนะเปิดประตูด้วยใสก็ไปด้วยมันเกินไปหลับข้อพ่อตั้งแต่ยังไม่เข้าไปในห้องก็ได้นนะว่า ง, งั้นถึงไม่บอกถ้าบอกมันจะค่าจะหมายไปก่อนทียแล้ว เป็นความสำคัญขึ้นมาไม่ถูกต้องเป็นเครื่องตัดสินตัวเองปัดจัดเรียกว่าันทิฏฐิโปหรือปัจจัดตั้งหมในธรรมพันประจักษ์แล้วทีนี้เมื่อมันประจักษ์แล้วจะหายสงสัยเองนะเรื่องทิเหลืตัวนี้เป็นมาจากอะไรจากนั้นก็พยายามตั้งภาพอนั้นแหละที่เคยเราพิจารณา เป็นมาตลอดนั้นตั้งขึ้นแล้วตั้งขึ้นไว้อย่างเก่านั่นแหละแล้วมันจะหมุนตัวก็้มาหมุนตัวเข้ามาในหัวใจของเราสี่เรวขึ้นเรวขึ้นนี่นี่การฝึกซ้อมปัญญาทางด้านตามะพิเลตอายุข้าอาุขังเป็นของสําคัญมากพิจาานี้จากนี้แล้วเอสภาพอันนี้ฝึกซ้อมเอา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 อี่อันนี้จะมีความทำนี่ทำนานไปอีกขั้นหนึ่งมีความละเอยียดไปอีกขั้นหนึงนหน่งขั้นเอาฝึกซ้อมไปไปเรื่อยๆนี่ น, นี่เองที่เป็นภักจีพยานตามที่ท่านแสดงไว้ในอันในคําว่าพระอนาคามีานั้นเมื่อบรรลุถึงท่านอนาคามีแล้ว ท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกคือจิตดวงนี้จะไม่ถูกกดทวงดึงลงเหมือนแต่ก่อนเมื่อที่มีตามราคะผูกพันอยู่พอตามราคะผู้หลักใหญ่ของตามราคะขาดลงไปแล้วเรียกว่าสอบได้แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นมีนหมายถึงฐานะของเราผู้เป็นมยยัย่อผู้ได้รู้ช้ารู้เร็ว เนี่ยึงบอกลำดับลาดาบไวอนี้พอได้รู้ชัดเจนนี้แล้วจิตใจนี้จะไม่หมุนลงนะไม่มีอะไรมาดึงใจนี้ลงมีกามีพิเรธเท่านั้นดึงลงดึงลงตองลอดเวลาพอพิเลธคาดออกไปในขั้นนี้แล้วจิตจะค่อยหมุนขึ้นเป็นลําดับพิจารณาฝึกซ้อมจิตใจดวงนี้แหละ ด้วยอสุภดังที่เคยปฏิบัติมานั้นจิตใจจะละเอียดลงไปละเอียดจนไปแล้วความหมุนตัวขึ้นเรื่อยเรื่อยหมุนขึ้นไปเรื่อยเรื่อีกละเอียดขึ้นเรื่อเรื่อยนี่แหละพระอนาคามีที่ท่านไม่กลัมาเกิดอีกก็คือมีตามมัจิเลห์คนเดียวดฉะนั้นดึงลงมาสู่นรกอเวจีได้พเพราะตามมัจเรห์ ทีนี้พอนี่ขาดลงไปแล้วจิตใจจะเบาลงไปเบาลงไปเบ า, าจนมาลาั่นเบาวูวเบาวิ ว, า ว, วกาหนดภาพกําหนดภาพซักข้อตัวเองซักข้อตัวเองไอ้ส่วนที่เป็นมวลทินหันละเอียดติดแนบอยู่กับจิตซึ่งอยู่ในขั้นอนาคารมีที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ทีเหล่านี้ ความมนทินเหล่านี้จะค่อยกระจายละหยดลงไปเละ่หวไปด้วยการฝึกซ้อมของเราฝึกซ้อมเรพราะหยาดข้นไปเท่าไรจิตยิ่งหมุนสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยอย่างที่ท่านเทียบไว้ใน <c oughs> สุทาวาห้าชั้นนั่นนะอวิหาอตตปาสุทัสสาสุทัสสีอตตนิธา <c oughs> นี่แหละระ ด, ดับของพระอนาคามี ขอได้ระดับเบื้องต้นที่ว่าสอบไล่ได้แล้วหากว่าตายก็จะไปเกิดในเ <c oughs> นี่ยนี่อวิหารแล้วเลื่อนไปอตัตปาและเยีกดเข้าไปกสุทัสสาและเยียกเข้าไปสุทัสสีอื์แล้วเยีกเข้าไปทั้ง <c oughs> ทั้งที่ยังไม่ตายก็รู้เป็นลำดับ <c oughs> และเหยีกเข้าไปเต็มแล้วกลับขึ้นอคตินิฐานมีเป็นชั้นที่หา้า ของอสุทธาวาท่าจันพอจากท่านนี้แล้วก็ดิถึงก้าวเข้าสู่นิพพานเพราะฉะนั้นพระนาคามีเมื่อสำเร็จเป็นท่านนาคามีแล้วท่านจะไม่กลับมาตัวเดียวท่านจะถ้าว่เกิดก็ไปเกิดนาวิหากับปาสัวสาวิศีเลือดไปแล้วพร้อมที่จะไม่กลับคืนมา ไปจนกระทั่งทะลุพันธพานไปเลย <c oughs> นี่ภาคปฏิบัติขอให้พระลูกพาหลานทางหลายจําเอาไว้พิจารณาอย่างที่ว่าวันนี้จําให้ดีด้วยแต่จำไม่ดีภาคปัญญาที่ออกการพิจารณาทางด้านปัญญานี้ต้องพิจารณาให้เต็มไม่เต็มหน่อยถึงการเวลาพิจารณาเวลาที่จะเข้ามาพักสมาธิมีความสงบคือเพื่อเอากําลัง หมุนทางด้านปัญญาเราก็เข้ามาพักสมาธิถือความสงบใจเสียอย่าไปกังวลกับความคิดอ่านใจต ร, รองเรื่องปัญญาเลยให้อยู่กับความสงบสงบได้ดีเท่าไหร่ยิ่งเป็นของดีอยู่ตรงนี้พอจิตจีนพอในความสงบแล้วพอถอยออกมาเท่นั้นแค่นเอาพิจณาทางด้านปัญญาอย่ายุ่งกับทางสมาธิไปเลยสมาธิเหมือนเป็นคนละโลก ในขณะนั้นให้ก้าวเดินทางด้านปัญญาเมื่อเน็ดเหน่อยเมื่อลาแล้วก็ถอยมาพักสมาธินี่เป็นการก้าวเดินอย่างล่ามลื่นดีงามของผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้พระลูกพระหลานจํเอาไว้จำเอาไว้นะแล้วทำก้าวเดินไปอย่างนี้เรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงภูมิอันแล้วอันกนิถา เต็มภูมินี่ท่านเรียกว่าพระอนาคามีเต็มภูมิไปเต็มที่นั่นนะจังกอวิหารตกปานยังไม่เต็มภูมิแต่ได้ได้ฐานเรียบร้อยแล้วว่าสำเร็จเป็นพระอนาคามีมถ้าบันไดก็ขั้นต้อ บันไดของพ ร, ขพระอนาคามีมีถึงห้าขั้นกาเทียบบันไดขั้นห น, นึ่งอวิหาสองอัตตาสามทุลสาสีุทุลสห้ากนิษานี่ลำดับของพ ร, พระอนาคามีที่ได้ในขั้นต้นแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนผู้รู้ทำโดยทิปพปาปิญญาตามกล่าวทั้งนี้เรากล่าวตามธรรมดาของนัยะ อยู่ต่างๆในของคนเราธรรมดาไม่ได้กล่าวถึงพวกอุคติจะอยู่วิปปิกันอยู่ซึ่งงวดเร็วพอถึงปั๊บนีนพุ่งเลยและอนาควิหาตาปาที่พุ่งทะลุถึงกันอนาคามี ถึงนิพพานเลยนี่ก็เป็นประเภทหนึ่งไม่ได่นับเข้ามานี่นี่ส่วนมากนักปฏิบัติของเรามักจะก้าวเดินไปตามนี้เพราะเป็นการบำเพ็ญของผู้ที่อยู่ในถ้ำต่างยากลําบากช้าก็ช้ า, า, ชาแต่ถึงนี่เป็นอย่างนี้นะแต่ผู้ที่รวดเร็วนั้นพอบรรลุปึงปงึถึงที่สุดเลยนี่เรียกว่าอุคติอันอยู่ ผู้เรียกว่าชิปปาพิญญาผู้รู้ได้เร็วต่างกันอย่างนี้แต่ให้แยกและเอานะมีการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องจิเลส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 พออันนี้ผ่านได้แล้วก็กลายเป็นชาติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมานำโดยที่นำอันนี้แหละมาฝึกมาซ้อมมาฝึกมาซ้อมเสมอก็กลายเป็นชติปัญญาอัตโนมัติ มีเรียกว่าชติปัญญาอัตโนมัตินี้จะเกิดที่หลังลำดับจากอาม마กิเลสซึ่งซึ่งฟาดกันอย่างชน ม, มุนยุ่มายนี้ไปแล้วพอจากนั้นก็นเป็นชติปัญญาอัตโนมัติอันนี้หมุนตัวเป็นเตียวไปเลยเพื่อความพร้อมถูกหนึ่งปรหนึ่งวันอิพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมแล้วจากนี้ไปพอถึงขั้นอนาคาแล้วจะเหมือนนั้ว่ามองเห็นพระนิพานอยู่ข้างหน้าข้างหน้า ดูชั่วเอือ้อชั่วเอือนะ้อมอย่างนี้ความเห็นโทดของวิเลยทั้งหลายนี้ใจเห็นอย่างเต็มใจเต็มใจเห็นอย่างถึงใจถึงใจความเห็นคุณของการหลูดพ้นก็มีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นท่านจึงได้หมุนตัวเป็นอัโนมัติของคติปัญญา ยับรอไม่ได้เลยหมุนติ้วติว น, นี่สติปัญญาอัตโนมัตินี่คือสติปัญญาแก้ทิเละฆ่าที่เลเป็นอัตโนมัติไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นนอนขึ้นมาสติปัญญานี้จะจับงานอัตโนมัติของตนแล้วเป็นลำดับลำดับ <c oughs> นี่คือสติปัญญาอัตโนมัติทำงาน แก้กิเลสเป็นอัตโนมัติเทนี้เรื่องการความภาคความเพียรที่เราจะหมุนหมุนอย่างที่ว่าเพียรพยายามถูไถยกันไปอย่างนี้ไม่มีในวงอในในวงนี้วงที่ว่าจิตอัตโนมัติจิตปัญญาอัตโนมัติมีจะหมุนตัวไปเองเพื่อความพ้นทุกเพื่อความพ้นทุกแก้กิเลยโดยอัตโนมัติอยู่ที่ไหแก้ตลอดแก้ตลอดไม่มีความม่าพักจึงต้องย้อนจิต อัตโนมัติสติปัญญาสมัชนีเท่าสู่สมาธิถือความสงบไม่เช่นร้านจะไม่อยู่จะเลเิดเปิดเปิดมันจะเลยเถิดนี่ท่านสอนให้ย้อนเข้ามาถึงจะเป็นการแก้เกิียดด้วยความเพินใจก็ตามเมื่อกำลังบางชาไม่พอมันก็เหมือ น, นมีดท้องเหล่านี่มันไม่คม ฟันไปอะไรมันก็ไม่ขาดง่ายๆที่นี้ถอยมาเหมือนมันม า, มาลับผินได้แต่เข้าสู่สมาธิหรือนอนพักหลับเยีะเมื่อพักหลับนั่นก็เป็นกําลังอันหนึ่งทางธาตุทางขันภากอีกเข้าสู่สมาธิเป็นกําลังอันหนึ่งทางจิตใจและธาตุขันก็ได้กําลังมันหนุนอันนี้อีกนี่ก้าวเดินต่อไปอีกนีฟังให้ดีนะ มรนดาท่านตัางหลายวันนี้เป็นโอกาสกันดีที่พระหลวงตาจะได้สอนท่านลูกพระหลานให้เป็นสติเครื่องเตือนใจนําไปปฏิบัติเพื่อก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานซึ่งเขาจะร้อนตามทางศัตดาที่สอนไวน้นี่ไม่คือไมล่าสมัยไปไหจุันแล้ให้พิจารณาอย่างที่ว่านี่นี่ละขั้นสติปัญญาอตโนมัติพอจากนี้หมุนเข้าไปละเอียดรอเข้าไปละเอียดรอเข้าไปแล้วก็เชื่อมโยงถึงมหาสติมหาปัญญา เพียงขั้นสติปัญญาอตโนมัตินี่ก็ไม่มีเผลอแล้วล่ะเผลอ จ, จิตจะเผลอสติสตางเผลอไม่มีแล้วอพอก้าวเขาสู่มาสติปัญญานอกจากไม่เผลอแล้วยังละเ อ, อียดยอซึมซาบไปหมดเลยสติปัญญาอตโนมัตินี่ยังยังเป็นขึ้นเป็นพื้นถ้าทํางานก็เหลือเหมือนเขาฟักลาบยําลาบ ถึงจะยำที่ยิบขนาดไหนมันก็เป็นคลื่นแห่งการยำรากอยู่นั่นแหละทีนี้พอก้าวจากสติปัญญาชนมันนี่ก้าวเข้าไปสู่มหาสติมหาปัญญาที่นีรากลื่นไปเลยสื่อมซาบฆ่าพิเลก็สื่อมซาบอะไรสื่อมซาบทั้งหมด มีไปตามตามกันนี่เรียกว่ามหาสติปัญญาให้มันคลองในหัวใจของเราสิทำ ม, มาวิเจ้าโสตุล น, น้อนสอนไว้เพื่อใครทำไมสอนไว้เพื่อผู้ว่าจะอฏิบัติคือพวกเราเองนี่ละนี่เรียกว่ามหาสติปัญญามีการพริญญาสติปัญญาชนุมนา ก็ถือเอาขั้นอนาคานี่อารมณ์ของอนาคานิมิตของอนาคาที่ฝึกซ้อมจนจํานิตํานานแล้วกลายเป็นว่างไปหมด น, นั้นี่สิงานหมดนิมิตที่เกี่ยวกับปิดซึ่งเรามาตั้งฝึกซ้อมนี่หมดไปหมดไปหมดแล้วก็เดี๋ยวก็สุดช้ายหมด ตั้งขึ้นทับดับพร้อมดับพร้อมเหมือนฟ้าแรลกฝ้าแหลกต่อไปอย่างนั้นไม่มีไม่มีจะเป็นอะไรที่นี่นะมันจิตมันว่างไปหมดแล้วจากนั้นก็พิกมันมนักเป็นเองสิ่งที่มีเนื่อต่อันนี้เหมือนกับไฟได้เชื้อ เชื้อไฟไมีอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปตามเชื้อโดยไม่บังคับอันใะขอให้มีเชื้อไฟเถอะไฟจะลุกลามไปตามอันนี้ขอให้มีเชื้ อ, อเกล็อยู่ที่ตรงไหนสติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกับไฟความ้าคคเพียรเหมือนกับไฟจหมุนเข้าไปพิจารณาท่านเวทนาสัญญาสร้างขานเวรญาณมี <c oughs> <c oughs> ที่นี่เวทนาก็ก็ถือเวทนาทางตายบ้างถือเวทนาทางจิตส่วนมากจะเป็นเวทนาทางจิตนะทางตายผ่านไปแล้วไม่ค่อยสนใจีสัญญาสัางขารวิญญาณมักจะมีแต่สุขเวทนาภายใน จ, ใจิตใจทุกขเวทนามีแต่ว่าน้อยน้อยลงไปโดยลนะับสุขเวทนานั้นเด่นเด่น <c oughs> นี่ก็อยู่ในขั้นสมมูลสัญญาสังขารวิญญาณเฉพาะอย่างนี้คือสังขารพอพรวมแค่ องคุณแปรตรงมาจากไหนตรงมาจากใจดับไปหยับไปไหนมาจากใจสัญญาหมายปับ๊บมาจากไหนแล้วนติปัญญานี่จะหมุนตามหมุนตามทันทีโดยหลักธรรมชาติแล้วสุดท้ายมันก็หมุนออกก็ออกจากใจหมุนเข้ามาก็หมุนเข้ามาสู่ใจติดตามเข้าไปหาพระราชฎวังหลวงคืออวิชชาปัจจญาสังทาลาได้แก่กษัตริย์วัตจกักรดูในถ้ำกลางนี่แหละอวิชชา นี่เป็นกำแพง <c oughs> ล้อมเอาไว้ตัววิชายจริงอยู่ในกำแพง <c oughs> เพราะนั้นติดตามเหล่านี้เข้าไปติดตามมานี่เข้าไปเรื่อยฝึกซ้อมไปเรื่อยพอมันเข้าใจเข้าใจหลายครั้งหลายหนเข้าใจเรื่อยๆเข้าไปก็ตามเข้าไปถึงอวิชาปัจจยาสั้งางธาตุหลัายเป็นปัจจยาการขึ้นมาภายในจิตดวงนั้นนั่นคืนนนวอริยสัจสี่ <c oughs> เป็นเต็มตัวแล้วเข้ากับนั้นเนื้อจิตมันตางกับายไรข้างของก็ไปเห็นต้นเต่า อ, อันใหญ่หลวงคืออวิชาปัญญาซึ่งเป็นกษัตริย์วัฏจักรภายในหัวใจของเรา <c oughs> เพราะจริงนมันต่อยหมดแล้วจิตใจว่างไปหมดทั้งทั้ง ท, งที่จิตก็ยังไม่ว่างตัวเองแต่สิ่งภายนอกทั้งหลายมันว่างไปหมดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศ วัตถุต่างๆนี่ว่างไปหมดไม่มีในจิตใจจิตใจตายเป็นความว่างไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ภายในตัวเองยังไม่ว่างนั่น <c oughs> นี่อ่านให้มันถึงยางไงที่นักปฏิบัติให้ถึงตัวอะไรยังไม่ว่างก็อวิชชาปัิญาสั้างทารายังสำคัญว่าอนั้นว่างนี่ว่างตัวเองลืมตัวเองตัวเองยังไม่ว่างนั้นให้ย้อนเข้ามาต้องชั่ง ได้ถึงตัวจริงของอภิชานี่พูดเป็นแนวทางให้พระลูกพระหลานทั้งหลายสั่งเพื่อเรียืดนะนี่ทอดออว่าจากความจริงจากภาพปฏิบัติของตัวเองมาเล่าให้บรรดาลูกหลานฟัง <c oughs> แล้วก็ ให้พิจารณาย้อนหน้าหลังท้่มันก็เข้าถึงจิตตะวิชาเนี่ยอวิชาครอบงําจิตไว้นววในโลกอนี้มีแต่วิชาครอบอยู่ฉะนั้นพอเปิดอันนี้ไปจิตก็ต้าขึ้นมาได้จัดเต็มส่วนเต็มเต็มมักเต็มผลเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วทีนี้ตัวในจิตเองก็ว่างภายนอกก็ว่างว่างหมดทั้งภัยในมากว่างหมดทั้งภายนอก ไม่มีอะไรเหลืออยู่ภาณในจิตใจนี้เลยแตนมีมุติจิตมุติธรรมหรือเป็นธรรมชาติล้วนปตาผลเด่นขึ้นมาทีงเรียกว่าสมมุติไม่มีเลยในจิตดวงนี้จิตอันนี้ว่างว่าคว่าว่างจากสมมุติทั้งหมดไม่มีอะไรเลเหลือแติมุติธรรมที่เป็นหลักธรรมชาติแท้นิริตเข้าถึงธรรมชาติแท้คือจิตนี้เป็นธรรมชาติ เป็นมหาวิมุตเป็นมหาิานเป็นธรรมาตาเป็นอมตะเป็นอมะตะจิตเป็นอมะตะธรรมสมกับว่าจิตนี้ไม่เคยตายจิตนี้ไม่เคยตายที่สุดแห่งความไม่เคยตายของจิตคืออะไรคือธรรมชาติตถึงมุดหลุดพ้นเรียกว่าถึงธรรมาตาแล้วที่ขายสงสัยว่าจิตตรงนี้ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมัน เราหายสงสัยน้อยเปอร์เจ็นด้วยล้านปเปอร์เซ็นต์นี่แหละ ท่านทั้งหลายเดือรซาผู้ปฏิบัติทั้งหลายทั้งพาทั้งประชาชนอย่ามามัวเกาหมัดอยู่ว่าเจ้าของเกิดตายมากี่กัดจีกันแล้วก็มาตื่นเงาเจ้าของหลงเงาเจ้าของว่าเกิดตายแล้วสูงตายแล้วสูญ น, น, นี่ละมันสูญได้อย่างไรมันลงไปนกปรกอเวทีมาจี่กัดจีกันทนทุกข์ทรมาณอยู่นั่นมันก็ไม่สูญ น, นั่นเองยอมรับความทนทุกข์ทรมานพอบาปตามก้อยจางไปยังไปจากนรกหลงนั่นเลื่อนมาหลงนี้ แล้วจิตใจก็เป็นจิตเอื่องั้นละ่ะรับความทุกข์ความทรมาน้อยหลงน้อยหลงตามหน้าแข้งตํามของตนที่เบาลงบาลงแล้วถอยไปหนาเนี่ย ม, มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นจักรอะไรไมันก็จิตดวงนี้แหละไปเกิดอยู่ตลอดเวลาตามหน้าแข้งตําหนักเบามากน้อยเรื่อยไปเรื่อยไปจนมาเป็นผู้เป็นคนอย่างนี้เราอย่างเรานี่แหละนี่เราก็มาจากจิตดวงที่มันเคยตายนั่นแหละมาอยู่นี้อาตายจากนี้แล้วก็จะไปเกิดอยู่นะที่นความไปเกิดของจิต ตนี้จะไปเกิดที่ไหนแล้วได้ความแน่นอนแล้วยังถ้าเป็นน้าปฏิบัติแล้วแน่นอนเป็นลําดับดังที่กล่าวนี้จากภาคปฏิบัติจะแน่นอนเป็นลําดับลาดาไปเลยเพราะว่าอย่างเช่นว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้มนั่นเนี่ยที่สุดแห่งสมมุติทั้งหลายจะไปสุดทิ่งที่ตรงนั้นิมุติฐานขึ้นมาแล้วจิตบริสุทธิ์ไม่มีสมมุติแม้นิดหนึ่งปรากฏเลยจิตดวงที่บริสุทธิ์จิตดวงที่เคยเกิดเคยตายมาเหมือนกับ จักดตั้งหลายโทษในโลกฐานนี้ขาดสมบันนลงไปในขณะที่ <c oughs> จิตตาวิชาขาดลงไปจากใ จ, จติดตล้มมุตหลุดพ้นไม่มี <c oughs> สมมติใดๆเข้าไปเี่ยวข้อเพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระาราหันท่านจะไม่เคยมีทุกตั้งแต่ขณะท่านตัดสรู้ธรรมหรือบรรู้ธรรมขึ้นมาเป็นพระหรหันในเวลานั้นแล้วจากนั้นไปเป็นอนันตการตั้งตับตั้งกันเนียกว่าเที่ยงท่านไม่เคยมีทุทุกเกิดขึ้นไม่ได้ตั้งแต่ขณะท่านตัดสรู้ธรรมธรรมตัตตสรู้คือสังหารพิเรตตัวเป็นเจ้าเศษสร้างทุกขึ้นมา มากน้อยนิเรศมีมากมีน้อยสร้างทุกข์ขึ้นมามากน้อยให้รับความเนื่ยหากดำบนมากน้อยพอพ่เรศนิขาดซึ่งเป็นตัวสร้างทุกข์นิขาดจะบ้านลงไปจากหิตใจแล้ว ไม่มีสมมุติในใจเลยแล้วทุก็ไม่มียิ่งไม่มีโซความทุก็ไม่มีความทุกในใจในใจของพระอรหันต์เองไม่มีตั้งแต่ขณะท่าน จ, าจะรู้แล้วส่วนค้างทุกข์ทางชาติทางขันร่างกายนี้มีเหมือนกันกับโรคทั่วไปเพราะเหตุใดเพราะชาติขันนี้เป็นสมมติ เือกับสมมุติของโลกทั้งหลายเช่นร่างกายของเขาของเราเป็นเหมือนกันเมื่อไป็นนั้นความทุกข์ประจำขันจึงมีเหมือนกันมีเจ็บล้องปวดซื้องปวดหัวต่อรมีหิวมีตะหายเหมือนกันแต่มันไม่เข้าถึงติดท่านก็รู้อยู่แล้วว่า uh huh. หิวนั้นหายมีเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้รู้เฉยๆจิต ท, ที่บริสุทธิ์แล้วจะ ไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยฮะเป็นหลักธรรมชาติเป็นอาจานะหรือว่าเป็นคนเราฟังแล้วนี่สิ่งที่ท่านรับทราบจะไม่ใช่ช่านท่า น, า น, านรับทุกจากขันนะท่านรับทราบ <c oughs> จากขันที่แสดงตัวอย่างความคิดความตรงเรื่องอะไรสัญญาอารมณ์ท่านก็มีเหมือนเราแต่ท่านไม่ติดมันก็เป็นเครื่องมือของธรรมไปแต่ปอนธาตุขันนี่เป็นเครื่องมือของที่เหลื ความคิดปุงอะไรขึ้นมาเนี่ยที่เล็ดบ่งการออกมาบ่งตาออกมาท่านถึงกล่าวว่าอวิชชาปัจจยาสร้างท่าราอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดชังขานสร้างท่าลาปยญามิญญาณนังเลื่อยไปเลยมันหนุนให้ไเป็นชังขานมิญญาณนามรู้เลื่อยจนกระทั่งถึงชาตินี่นะทีนี้ท่านจะรู้ว่า เอวเมาตัสาเจวร า, าสะดุการขันตัสสะสมุทรโยโคติเหล่านี้เป็นสมุทรไทยการเกิดตายทั้งนั้นนั้นทีนี้ควพิจารณาถอนวิชาไปแล้วสังขารก็ดับอวิชามัจจวิชากัตเวมาเสสบรากายนิโรธ า, าสร้างขานี้เลยเลื่อยไปจนกระทั่งไม่นินรโรโทโคติเหล่านี้เป็น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 ให้ให้ให้เป็นเป็นเจลิ่งเ <c oughs> ช่นเบชนาสัญญาสังขารเนี่ยมันหลงทั้งนั้นละหลังฐานความคิดความปรุงญญรมียางอะไรรับทราบอะไรเป็นเจลิ่งไปเรื่อยๆเพราะตัวใหญ่มันอวิชาพาให้เป็นเจลิ่นี่มันยึดด้วยถือด้วยในขันทั้งนั้นมันถือว่าเราเป็นของเราเต็มตัวเนี่ยทีนี้พอ มันกิตเล้บลุดท้อนจากนี้แล้วแล้วอภิชาแล้วเนตเวรวาลี์ดับหมดเมื่อดับแล้วกับสังขารก็ไม่มีไม่มีที่เลืมไม่เป็นสมุทรไทยวิญญาณอะไรไม่เป็นสมุทรไทยเป็นแต่เครื่องมือของธรรมแต่ท่านไม่ยึดไม่ถือทำเป็นเจ้าของของขันนี้ท่านไม่ยึดใช้ไปถึงวันนิพพานนี้เท่านั้นแต่ที่เหลือยึดกระทั่งวันตายไม่มีวันถอยละนี่ต่างกันอย่างนี้ ขันเป็นขันของบรบาลานส่วนขันของของจิเลนนั้นมันเป็นเราเป็นเขาเป็นหมดนี้ให้พากันจํำ <c oughs> ด้วยเห็นนี่เองพารบรหันท่านจริงไม่มีจิตไม่มีทุกในจิตฉะนั้นทุกในจิตไม่มีเลยตั้งแต่ขณะท่านจับ ก, กรูลุดทำมีก็คือว่าบรมมาสุขบรมมาสุขนั้นเป็นถูกนอกสมมูลก็เป็นความเที่ยงเหมือนกัน นั่นคือเป็นสุขในหลักธรรมชาติไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนอสุขทุกข์เฉยของเวทนาแห่งสมมูิทั้งหลายอันนั้นเป็นช่างศักด์แต่ว่าตั้งขึ้นอย่างนั้นแหละ ว, ว่าบรมสุขหรอสุขท่านผู้ครองบรมสุขแล้วท่านไม่สงสัย ท่านไม่ติดกับอะไรท่านไม่ตึงแเต้นแต่แยกออกมาเป็นสมมูิให้เราตั้งหลายที่ก้าวกำลังก้าเข้าสูมา่มรรคผลมิพานหรือมมูดนั้นให้พากันเข้าใจเอาไว้เท่านั้นแหละ <c oughs> นี่เป็นเรื่องสำคัญจากภาคปฏิบัติมาสุดที่ตรงนี้ต้องพิจารณาด้วยจิตติภาวนา เลื่อนไปจนกระทั่งถึงสมาธิปัญญาวิมุตต์ดูพ้นเป็นลำดับลำดานี้กิเลสก็เป็นนั้นว่าหยุดตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นไปจากใจแล้วพระอรหันต์ท่านไม่ได้ทำความเพียรเพื่อละลอกิเลสตัวใดไม่มีท่านจึงแสดงไว้ในธรรมว่าวุธิตังประมาณียังแต่ังกรณียังนั้นเศพษกิดพมจันทร์คือการละการถอนกิเลส การบำเพ็ญธรรมกับการถอนยิ่เด็มันก็เกี่ยวโยงกันอยู่นั้นแหละอืมนะค การบําเพ็ญธรรมหรือการละกิเลสได้สิ้นจุดลงไปแล้วนั่นวุติธรรมธรรมจริยธรรแปลว่าการธรรมจันทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําก็คือการละกิเลสนั่เนเองก็ได้ทําเสร็จแล้ ว, ลวนาประหลังอิสตายาติจิตอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่ใม่นั่นเป็นเหตุตที่เองพระอรหันต์ท่านจริงไม่เคยละจักรวาลนาเพื่อละกิเลสตัวใดการภาวนาของพระอรหันต์ ของพระพุทิเจ้าดูไม่ดีเราสู้ท่านไม่ได้นะเพราะเหตุไรทั้งๆที่ท่านมาเลยภาวนาเพื่รักเลเแต่เหตุจำเป็นที่ท่านจะบำเพ็ญหรือภาวนาอยู่นั้นมีประจำขันของพระลาภมี เช่นเกี่ยวข้องกับา่าจับขันเพื่อบรรเทาท่ า, ทาขันในเหยียบทต่างๆยืนเดินยืนนอนยืนนานก็ทุกเดินนานก็ทุกนอนนานก็ทุกนั่งนานก็ทุกเพื่อบรรเทากันให้อยู่ในความพอบอกพอดีในระหว่างขันกับผิดที่ครองกันอยู่นี้จากนั้นก็ เข้าถู่สมาี่เพื่อสงเพื่อสงบอารมณ์คือขันภายนอกพิจารณาร่านอัจตด้านธรรมภายใน จ, ใจิตใจเอาอย่างพระพุทธเจ้าก็กสองโลกทาตวางกันเถิเนี่ยพิจารณาเลงยาดูสัตว์จ้าโลกด้วยจิตที่บริสุทธิแล้วนั้นนี่ พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นเหลือพลังท่านกระทำเต็มภูมิของท่านพิจารณาเต็มภูมิเต็มพลังของท่านนั่นแหละนี่มีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเพื่อบรรเทาขันประเภทที่สองเพื่อพิจารณาเรื่องอัดเรื่องทำทข้างหลายส่วนพิจารณาท่านเองท่านไม่มีพิจารณาเกี่ยวกับจัดโลกดูจัดโลกต่างๆนี่นะครับท่านเพื่ออยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม คือเวลายังครองขันอยู่ท่านก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเหมือนเราน้นหละในการภาวนาในท่านผู้จิ่งทีเละแล้วมีสองประเภทการกล่าวนี้ประเภทที่หนึ่งเพื่อบรรเทาชาตุขันประเภทที่สองเพื่อพิจารณาปิาาตกับธรรมทั้งหลายเกี่ยวกับ สัตว์โลกทั้งหลายมีความดึกตื่นหนาะบางอย่างละเอียดตลอดถึงสัตว์โลกเป็นยังไงยังไงจะรู้ในเวลาท่านพิจารณานี้แจ่มแจ้งขึง้นอันหนึ่งอันหนึ่งอยู่ธรรม ด, ดาท่านก็รู้จำธรรม ด, ดาถ้าท่านพิจารณานะั้นก็ยิ่งละเอยียดรอเข้าไปรู้มากเข้าไปโดยลําดับธรรดา <c oughs> นี่ผลเนี่ยการปฏิบัติธรรมของผู้บำเพ็ญทั้งหลายขอให้พระลูกพาหลานตลอดประชาชนลูกหลานทั้งหลายจำเอา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 วิมุตต์หลุดพ้นคิดมันผ่านไปก็บอกว่าผ่านไปหลุดพ้นก็บอกหลุดพ้นเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับและปลุกปิดหูวใจเพื่อเป็นกําลังใจของผู้บำเป็นทั้งหลายว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ตามดินท้าตาไม่อยู่ตามเวล่าเวลาเวลานั้นที่งเวลานี้สุดในพระุทธเจ้านิพพานอยู่เมืองอินเดียเราอยู่เมืองไทยนี้ไม่มีหวังแล้วนั่นมันคิดไปอย่างนั้นน่ะนี่ มันไม่ใช่ตานีโกมันเป็นตาลีโกคือเอาการเอาเวลามาัดเหยียบมาบีบปี้สีไฟการบำเพ็ญธรรมมันก็เข้าออกันไม่ได้นี่เหล็กมันไม่เห็นมีเว ล, เวลาความโลก เกิได้ทุกเวลาความโกรธราคาตัญหาเกิดได้ทุกเวลานั่นทีนี้การบําเพ็ญธรรมเพื่อดับที่เดลสทั้งหลายเหล่านี้ทำไมจึงดับไม่ได้ทุกเวลาเพราะเป็นของคู่แข่งกันดับกันได้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะไปกล่าวถึงเรื่องสมัยนั้นสมัยนี้ยาพิธิเรื่องกิเลสหลอกลวงทั้งนั้นให้บําเพ็ญตัวเองกิเลสจริงๆมันเกิดอยู่กับใจของเรามันไม่เกิดอยู่กับการนั่งจตานนี้ น, นันะ่นเกิดอยู่กับใจให้แก่ตัวเองด้วยอดด้วยธรรมตลอดเวลา นี่วันนี้ก็ได้แสดงถึงอัตธรรมให้บรรดาพระลูกพันหลานทั้งหลายได้ยินได้ฟังในอัตธรรมสมกับศาสนาพุทธของเราศาสนาธรรมของเหล่านี้คือตลาดแห่งมรรคผลผ่านตลอดมาและจะตลอดไป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 วันนี้การแสดงธรรมให้บรรดาข่าลูกข้าหลานทั้งหลายฟังพ่อคิดว่าจะพอได้แนวทางให้พากันตั้งใจปฏิบัติ <c oughs> ยาใสแาสหาเรื่องโลกยังสารหาศูนหาไยให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสมกับเราเป็นบรรพชิต ค, คือนักบวช บวดแล้วหน้าที่ของเรามีกันชำระี่เดัญหาชำระชั่วด้วยการทำดีตลอดไปนี่ถูกต้องนะอย่าเสาะอย่าแสวงหาเรื่องี่เดันหามันเต็มหัวใจของเราอยู่แล้ว ให้ชำระสาสาออกไปให้เบาๆทำจะได้งอกเหน่อยขึ้นมาใจของเราจะมีความสงบร่มเย็นถ้าเป็นผลมากกว่านั้นก็เป็นมหามงคลแก่ตนด้วยแก่โลกตัางหลายที่ขเขารีกวปูชาดังที่ท่านแสดงไว้ว่าพุทธทางสนางกระฉามีธรรมังสังทางสนามกระามีนี่เป็นมหามงคลแก่เจ้าพุทธของเราเพราะท่านได้บวชเป็นมาแล้วอย่างเป็นแม่เป็นหน่วยแล้วมาแจกจ่ายให้ประชาชนจักโลกตัางหลายได้รับความสุขความจเจริญนี่ก็พอให ดาก้าลูกพอาหลานทั้งหลายนาไปปฏิบัติให้เป็นที่มงคลแก่ตนให้มีความมีดายต่อบาตต่อกันเพราะถึงนี้มันเคยเผาผลาญโลกมานานแล้วบุญกุศลเป็นเครื่องหนุนจิตใจของเรามานานให้บําเพ็ญทางบุญกุศลให้มากด้วยความเป็นผู้มีศิ่มีธรรมประจําใจผู้ใดมีสี่มีธรรมประ จ, จรําใจมีวิโรธประ จะรู้ก่อต่อบาปต่อกรรมระมัดระวังตนอยู่เสมอสังเวียนระวังด้วยศีลด้วยธรรมแล้วคู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีาศาสดาประจำตนาศาสดาคืออะไรคือธรรมและวินัยนั่นแหละนัะ่ที่พบบระพุทธเจ้าตรัสม า, าแล้วว่าธรรมและวละวินัยนั่นแหละจะเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราจะถากเมื่อเราตายไปแล้วนี่เมืม่อเป็นอยางนั้นกลายเป็นผู้เขา้าโลกทำวินัย เทิดทุนเท่าไหรด้วยการปฏิบัติดีไปว่าชอบผู้นั้นแหละคือมีศาสนาปกครองไปตลอดเลยผู้ใดไม่มีธรรมนี้ไม่ในแม้หัวล้นล้นอย่างวพวกพาของเราก็หัวล้นเฉยๆไม่มีใครจําีหัวล้นพาเนี่ยเขาจำมีนะทําไม่ดีไม่ถูกนี่ให้จํเอานะ บรรดากาปปรดุกาหลานอยากมีศาสดาประจำตนขอให้มีทำในที่ไงประจำตนจะมีศาสดาประจำเราไปที่ไหนก็ไปกับศาสดาไปกับพระพุทธเจ้าแล้วจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงตามแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ตาเวลาและทากสันเที่ยมวยเพียงแค่นี้ยินขอความสวัสดีเป็นมงคลตรงมีแก่บรรดา พระยุทธายานทั้งหลายตลอดประชาชนหรือน้องชาวพุทธทั้งหลายโดยทั่วกันเธอ